มันนี่จะทีบายถึงเรื่องหาจิตคนเราที่ปฏิบัติทุกคนน่นะเ้าต้องการหาจิตนั่นแหละควมประสงค์คำว่าภาวนาเวลานันคือหาจิตนั่นเองใครจะภาวนาที่ไหนก็เอาสื้อร่วมในแต่หาจิตเดีวยวกันทั้งนั้น จิตเป็นของมีอยู่แต่หากว่าเราไม่รู้จักจิตเ่รไม่รู้จักจิตจักจิตไม่ได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นนังหลงงมงายอยู่บางคนภาวนามานานแสนนานไม่รู้เรื่องจิตของตน เทนะจะอธิบายซ้าเรื่องจิตนี้อีกให้เข้าใจชัดเข้าไปถามว่าจิตในทีน่นี้คือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอาการคิดนึกปรุงแต่งสัตว์ัทุกอย่างสัญญาลงในพวงหมดอ น, นั่นเป็นตัวจิต น, นั่นเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตจิตนั่นถ้าหากว่ามีแสดงอาการก็ไม่รู้ตัวของมันมันแสดงออกขึ้เรื่องอาการไม่ค่อยรู้จักจิตอย่างว่าตาเห็นลูกนั่นก็แสดงออกขึืองอาการของจิตเหมือนัน มองดูรูปเห็นรูปแล้วปรุงแล้วแต่งได้ยินเสียงมันส่งออกไปแล้วก็ปรุงเขาแต่งชอบบางแลชอบบางยินแลวลดโปรดพระธรรมมารมทางหลวงมัดลวนและแต่แสดงอาการเขาจิต พนหาเรื่องจิตนี่แหละหาหนะักหาหนาแต่ไม่เห็นตัวจิตสัก ท, ทีเห็นแต่อาการของมันอาการของจิตไปร้อยแปดพันเก้าสารัดทุกอย่างที่ทันว่ากิเ 1, 5, ลสพนะันหาตันหาร้อยแปดเนี่ยนะวก็ออกประจากอนชะนาหกนี้ เมื่อจับอาการของจิตแต่แล้วคือมันอาญตนาห ก, กอาการของจิตนั่นแหละถ้าไม่มีจิตอาญตนาหกก็ใช่ไม่ได้ตาหูจมู ก, กลิ้นกายเลยเปล่าหมดไม่มีประโยชน์มันต้องมีจิตเช่ไก่อนนิเห็นงนั้นจึงว่าแสดงอาการแสดงตัวจิตนั่นแหละ อันที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรต่างต่งันแสดงอาการของจิต ท, ทางนั้นพูดกันง่ายๆอย่างกใกล้ๆจิตคือความคือมันตีตัวมันทิกไหวมีอาการเคลื่อนไหวต่างๆนั้นนั่นตัวจิตใครจะภาวนาไงก็พอวนาหาตัวจิตนี่แหละ พุโทโธก็ดีอาณาปาสติก็ดีเราเลึกถึงพุโทโธเอาไว้ที่จิตนะฮะตอนที่พูดก็อเอาไว้ที่จิตคือจิตนึกพุโทโธแล้วไปเอาจิตไปตรงนั้นอะเพื่อจะให้เห็นจิตเลยปเป็นนึกเกงดที่พุโทโธพุโทโธจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นตัว เรไม่ใช่จิตเหมือนกันถ้าหากจิตจริงๆจังแล้วมันมีพูนึกอยนพูดนึกโทนตัวพู่นึกนั้นตั้งหกักไม่ใช่อาการพุ่นโทเ ร, รเรียกว่าจิตหรือว่าอนาปานุสีก็ตามสมาระอังก็ตามยุบน้อยๆงน้ก็ตามถึ ที่ต้องการให้จิตมาอยู่ในที่นั้นให้มารวมเันที่เดียวแล้วอาการที่รวมในที่เดียวนั้นเนีย่ยไปถือว่ายุกหนอพ่องหนอ่อหรือว่าสมาธิหันอะไรต่างอันนั้นไม่ใช่ตัวจิตเป็นสัญญาต่างหาเกแปลั่าอารมณ์ต่างหา ตัวจิตแ ท, ท้ผู้คิดผู้นึกคือผู้รู้สึกกันเองมันเพิกถอนหมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถืออะไรท<อ>ั้งหมดแต่ความรู้สึกมีอยู่อันนั้นในตัวจิต <c oughs> ถ้าหากว่ายังมีความรู้สึกอยู่ตาความรู้สึกอันนั้นอะ มันจะถอนเสียมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่เห็นว่าพุทโธก็ดกีธรรมารหังก็ดีหรือยุกหนอป้องหนอหรืออนาปาตติ อ, อะไรต่างๆนะมันลืมทั้งของมันวางหมดมันมีแต่ความรู้สึกมันเลยกลายเป็นชั่มละกิเลในตัวมันจะมีอะไรล่ะมีแต่พุทมีแต่ความนึกมีแมีความรู้สึกเฉย นึกคิดกับความรู้สึกมันต่างกันคิดนึกความรู้สึกกันรู้สึกเฉยเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกขึ้นมาก็มีผู้ที่ว่ามีแน่ๆอยู่มีความรู้สึกอยู่แต่ความคิดเขาไมกคนปลุ ก, กมันแต่งมันน้ำต่างหาก มันหายไปจากความคิดความนึกอย่างนั้นยังเหลือแต่ความรู้สึกอันนั้นเรื่อตัวใจอันนั้นตัวจิตท่านเป็นจิตเดีวกันนี่มันเหลือที่มันเหลือแต่จิตเดียวกนนี่เป็นใจเดีควกันนี่มันมีแต่ใจมันจะมีอะไรกิเลสโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิมันทิ้งหมดแล้วของมันนั้นมันเหลือแต่ใจอย่างเดียว ที่น่ว่เอกกตาจิตไม่เอกกตาลมมีอารมณ์ันเดียวมีอารมณ์เลิศอันเดียวอย่าว่าเอกกตาลมเอกกตาจิตก็ไปคิดอันเลิศอันอเดียวมันเลิศกับเสิ่งระหววงมดมันจะไปเลิศย่างไงก็ลองคิดดวเถอะความคิดความปรุงความแต่ง มันหายไปหมดแหละมันยังเหลือแต่จิตอเดียวมันจะไม่เลิศ อ, อย่างไรนะใครทําได้บ้างลองคิดดูสิมีใครทําได้บ้างทําอย่างไร น, นั่นแหละเป็นยอดสิ่งที่เราปรารถนาภาวนาเราต้องการตรงนั้นแหละอันนี้นึกอยากวิธีหาจิตคือให้หา ผูท้ที่คิดนั่นแหละหาตัวจิตนั่นแหละผู้คิดไอ้อาการไอ้การอาหาการของจิตนั่นแหละจิตที่คิดที่นึกนั่นแหะที่ปรุงที่แตง่ง น, นั้นอเป็นอาการอะไรเป็นอาการของจิตเมื่อไม่ปรุงไม่แต่ง ม, งมีไม่คิดไม่นึกมีแต่ความรู้สึกเฉยนั่นเป็นอาการของจิตอ น, นั่นเป็นตัวจิตตัวจิตนั้นกลายเป็นจัก ใจคือตัวกลางๆ จ, จึงเรียกว่าใจอะไรทั้งหมดทั้งของกลางๆก็เรียกใจนั่นแหะใจมือใจเท้าอะไรทั้งหมดใจไม้ใจอะไรต่างๆของกลางๆเรียกว่าใจความที่ไม่คิดไมนึกมันอยู่เฉยๆกลางๆนะั้นเรียกว่าใจหาตรงนั้นเห็นแล้ว ให้รักษาตนั้นไวหากว่าจะมีคำถามมันมีประโยชน์อะไรใจที่ว่าในประโยชน์อะไริดหรือใจม่มีประโยชน์อะไ ร, ร, ไ ร, ะะไรเทียบกันลองดูที่คิดนึกคุงแสงสรารพัดทุกอย่างมากมายไม่หยุดมายัง ทั้งกลางวันในกลางคืนตลอดทั้งชีวิตนอนหลับอยู่กันยังคิดนึกปรุงแต่งอยู่คือความฝันเราเห็นได้ชัดทีเดียวก็อันนั้นแหลความคิดคมนกคมปรุงามปรุงควาแตง่งเทียงกับอันที่ไม่คิดมา น, นึนีนี่ได้ความรู้สึกที่ชัดมันไกลกันแค่เท่าไหร่นะั้นมันหยุด คือเรียกว่าเป็นหยุดหยุดหมุนจั้งสระจักมนันหยุดไปแล้วมันยุดอยู่อันเดียวของมันมันจะมีประโยชน์ยังไงประโยชน์มหาอัศารคนเราถ้าหากเห็นจิตแล้วนะั้นคิดดีก่คิดชัวว่วก็ไม่คิด คิดหรือใจอตัวนั้นอ่ะมันนี่คิดชัว่วไม่คิดไปทําไมไม่ต้องคิดอ่ะมันอยู่เฉยๆกนโง่ที่เคลิ้มเฉยไม่ใช่งโง่ลองทําดูใครทําได้อย่ังนง้นำโง่อย่างนั้นใครทําได้แต่มารับเราว่าไม่มีใครทําได้ง่ายๆหรอกโง่อย่างนั้นงโง่อย่างอภิจักร พระพุทธเจ้าท่านสอนคนเราฝึกขาดปฏิบัตินั้นตอนด้เขาถึงขงโมงตรงนั้นแหละอัิฉลาดเฉลียวเกียบแหลงทุกประการที่ละเขาว่าเกียบแหลงที่เรียกว่าฉลาดมันไม่หยุดสักทีมันปรุงมันแต่งไปรอบด้านรอบ่ะ หาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้เลยเข้าถึงตรนนั้นสงบจริงสุขจริ ง, รงถ้าหากว่าตายจริงๆอาจารย์ได้ขนาดนั้นดีทีเดียวดีก็จะไปติดสิ่งของวัตถุทั้งหลาย ติดรูติดลานติดบ้านติดเรือนติดส ร, ระพัดก็ถูดองหวงหมดแต่ทิศใจของคนเรามันชอบติดถ้ามีเครื่องติดไม่สบายนู่นเลยมันไปงอ น, นการที่ไม่ติดนั้นอยู่ที่เฉยนิ่งเฉยเนี่ยไม่เคยทําเลยไม่เคยเป็นเลยทันพอเข้ามาถึงตรงนั้นเนี่ยไม่สบายอีกอล้ ติดอยู่กับลูกกับหานติดอยู่กับการทํางานกับสิ่งสภาพวัตถุรังพวงนั่นสบายสิ่งที่จะไปกับเราคือใจตรงนั้นน่ะอันที่ใจที่ว่าเฉยๆนั่นแหละที่จะไปกับเราสิ่งสภาพวัตถุรงังพวงโมทิว่านั้นที่ติดนั่นมันไม่มีไปกับเรารมีแต่เราจะไปติดทั้งนั้นน่ะ ในโลกนี้มันทั้งเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามีเครื่องติดไม่ไม่มีเครื่องอยู่อธิบายเชิงเรื่องวิธีหาจิตด้วยโประกรมอย่างนี้แหละเอาละเรามั่งสมาธิภาวนากัน ฟังมากแล้วไม่ทำมันก็ไม่เป็นประโยชน์คือไม่เห็นชั ด, ด้วยตนเองทำมากยิ่งกว่าฟังเป็นการดีอะไรน ะ, ระหวงพมอวน่ะเรียนมามากสู้การกระทำไม่ได้การกระทมันดีกว่าคือมันประสบการณ์สภาวการณ์เหตุต่างๆหลวงหมด มันเป็ของเห็นแจ้งไปจากใจของตนเองการทำภาวนาสมาธิเหมือนกันฟังแล้วไม่เกิดทำเอาไว้ก่อนเถอะเวลานั้นก่อนเถอะเวลานี้ก่อนไม่ก็ทําบางทีก็อางคืนนี่ก่อนหนึ่งคยทำวันที่กับพรุ่งนี้ก่อนทําม่ได้ต่างอันนั้น หายไปแล้วคือทำตามวันที่เทศนาให้ฟังในขณะเทศในฟังก็ทำสมาธิพาวนาไปเลยตัวนั่นะเป็นการดีมากการทำนั้นมันหลายอย่างที่เราทำตามพาวนาทไอ้ที่เราทำตามใ น, นเทศนาในอย่างหนึง่งเข้าใจแต่ไม่แต่ไม่ลึกซึ้ง ถ้าหากว่าวางเสียทอดธุระการเทศนานั้นเฉพาะจิตใจอย่างเดียวพิจารณาเฉพาะจิตใจเดียวเหตุชัดแต่ตนเองขินแจ้งไปแจงโดยวตนเองอันนั้นเป็นการดีมากไม่ลืมเลยการที่จดจานั้นมันลืมเป็นเหตุนั้นการที่จะภาวนา ให้วางเสียก่อนวางการเทศนาก็วางเสีอจดจำมันวางหมดอธิเดนเทศมันเอาเฉพาะใจอันเดียวอันอย่างที่อธิบายไปฟังนั้นนหะมันจะเห็นชัดขึ้นมาเราวของอทิเทศนาหลายๆวันไม่ต้องเอาหมดเอาอันเดียวคำที่ว่า ใจเดียวนั้นถ้ามันลงถึงใจแล้วมันไม่ได้คิดว่าอดีตอนาคตมไม่ได้คิดว่าปริยัติาหรับตําลาโนนนี่ไม่ต้องคิดมันเห็นชัดขึ้นมาเดยตัวเองเลย น, นั้นการในการทาอย่างไรเนี่ยวทาถูกต้องแล้ว Thank <laughs> you.